ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นสติความระลึกได้ระลึกเข้ามาที่กายที่ใจสำปะชัญญะความรู้ตัว รู้ว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้เราอยู่ในที่นี้กายอยู่ที่นี้ใจก็ให้อยู่ที่นี้ไม่ไปที่อื่นเวลานี้เราหยุดการหยุดการทุกอย่างภายนอกและนี่เรามาทางานภายใน เรามาทำงานเกี่ยวกับจิตใจโดยตรงเลยแต่ว่าจิตนี้มันก็อาศัยอยู่ร่างกายมันก็มาหลงร่างกายอันนี้เพราะนั้นการทำงานของจิตประเกะแก่การทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็เพ่งดูร่างกายอันนี้ ให้เห็นตามความเป็นจริงมันถึงจะพงจะวางความจริงแล้วไม่ควรยึดถือรูปกายอันนี้พอเป็นตัวตนของเราเพราะอะไรจึงท่านจึงสอนไม่ให้ยึดถือก็เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ คนได้ยากลําบากสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นแต่สภาสะวะธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเป็นเครื่องตกแตง่งเหตุปัจจัยนั้นสแสดงไว้ในหนึ่งก็ได้แก่อวิชชาตันหา อาหารเป็นเครื่องแต่งรูปกายอันนี้ให้เกิดขึ้นมาส่วนใจนั้นมันก็มีมาแต่เดิมแต่แล้วใจนี้มันยังยึดถือรูปกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ เมื่อมันยึดถือว่าอย่างนั้นแล้วทมกรรมนใดก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นทากรรมดีก็เป็นบุญกุศลไปทากรรมชั่วก็เป็นบาปไปบาปและบุญนั้นอะไรวะนี้นำดวงขีดเข้ามาเกิดในรูปธาตุอันนี้ เ, เกิดธาตุของมารดาบิดานี่นะ แต่มีบุญกรรมปราบกรรมเป็นเครื่องตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายบุญกรรมนะมันตกแต่งให้เป็นรูปร่างคนขึ้นมา <c oughs> เราต้องกำหนดรู้เหตุปัจจัยของรูปร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้มันก็หลงหยืดหลงถือว่าเป็นของเราของเขาใ้บุญกรรมตกแต่งให้ร่างกายอันนี้มันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ดี ไม่เป็นใบ้เป็นบ้ า, บาไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาา ว, าวิว่าร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ไม่สุขผอมเกินไปแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปเดี่ยพอดีพอดีมือเท่าก็ไม่เสียไม่หายมีครบบริบูรณ์อยู่ทุกอย่าง ตาหูจมูกเล่นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมีครบบริบูรณ์อันนี้เรีย ว, ว่าบุญตกแต่งให้ถ้าบาปตกแต่งแล้วมันก็ชำรุดอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่สมประกอบมีความบกพร่องขาด้วนแขนด้วนตาบอดหูดหูว่าแต่กำเนิด อันนี้เดียว่า บ, บาปบรรทุกแต่งรูปร่างกายนี้ให้ทีผู้ที่มีความรู้สูงมีปัญญาสูงขึ้นไปมันก็ไม่ติดอยู่ในรูปรากายอันบุญตกแต่งให้เนี่ยถึงแม้มันจะบริบูรณ์ทุกส่วนหรือว่าสวยงามตามสมมติของโลกแต่มันก็ไม่เที่ยง ส่วนรูปร่างกายที่บาปตกแต่งให้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วกับแปลผันในท่ามกลางแตกดับในที่สุดมันก็มีเท่านี้รูปกายอันนี้ถึงจะละเอียดอย่างไงยาบก็ดีเหนื่อยทุกขุมอย่างไรก็ดีมันก็ไม่พ้นไ ป, ไปจากความแตกดับ เพราะฉะนั้นจึงสมควรคิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้ปรงได้วางลงเมื่อบุคคลมารู้สึกตัวได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำความเพียรทางจิตใจจนว่าทำใจให้สงบ แล้วมองดูร่างกายสังขารนี่เห็นตามเป็นจริงสรุปลงว่าไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปงลงไว้ตามสภาพรตอว่าจิตตัวนั้นมันรู้นะจิตรู้จิตะ คิดรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ควรยึดถือส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมาก็ดีกระรวนแต่ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นอา้าวถ้าไม่ใช่ของเราเรื่มาอาศัยมันอยู่ทำไมก็ต้องตอบว่าเพราะมันไม่รู้แจ้งตั้งแต่ก่อนมาก็ดีมันหลงไม่ไม่ได้พิจารณา พอจะเกิดมาเป็นคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป่าถือว่าเราได้เกิดมาแล้วก็เลยถือมั่นอยู่ในใจอย่างนั้นทำกรรมดีบ้างทํำกรรมชั่วบ้างบัณฑิตเมื่อหมดอายุสังขารลงกรรมดีกรรมชั่วมันก็นําจิตวิญญาณให้มาเกิดในรูปร่างอันนี้อีกอย่างที่กล่าวมาแล้ว นี่เหตุที่มันจะได้มาอาศัยอยู่ร่างอันไม่ใช่ของเรานี่นะก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยร่างกายนี้ตามเป็นจริงดังนั้นชาตินี้นะเรามาพบพุทธศาสนาแล้วเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพใครจะสนเสริญใครจะนินทาว่าท้าอย่างไรก็แล้วแต่อเพราะว่าร่างกาย น, นี้ไม่ใช่ของเราเขาสรเสริญเขานินทามาเขาก็นินทารูปกายอันนีนะ้เมื่อเราเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่เศร้าจะไปโกรธมันทําไมอ่ะจะไปเสียใจมันทําไมอ่ะ แต่พันไปโกรธอยู่ไปเสียใจดีใจอยู่ก็แสดงว่าจิตใจมันยึดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปมันก็ได้ไประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อย่างนั้นเละ <c oughs> เพราะฉะนั้ น, นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่รี้ลับ จนไม่สามารถจะมองเห็นด้วยใจถ้าใครทำใจให้สงบอยู่ภายในแล้วนั้นมันก็รู้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าใจก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี่เหตุที่ไม่รู้เพราะเหตุว่าปล่อยใจให้คิดฟุ้งซ่านไปข้างนอกไม่มาสงบอยู่ภายในสักทีเมื่อเป็นเช่นนี้แหละมันจะรู้แจ้งในร่างกายนี้ได้อย่างไรอ่ะ มันจะรู้แจ้งได้ก็เพราะมันรวมความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆที่มันเคยส่งออกไปข้างนอกนั่นอ่ะรวมเข้ามาไว้ภายในนี่รวมความรู้สึกนึกคิดต่างๆเข้ามาภายในนี่แต่ความคิดนั้นอ่ะดับไปเมื่อน้อมเข้ามาภายในแล้วแต่ความรู้สึกนั้นยังอยู่ เมื่อความคิดมันดับไปความรู้สึกยังอยู่ก็เพ่งความรู้สึกอ น, นั้นแหละเพ่งอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องขยับขยื่นไปทางเอื่นเพราะว่าจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตัวเอง ทำความรู้จักตัวเองตัวเองก็บังคับตัวเองให้หยุดหยุดคิดหยุดกงแต่งหยุดยึดถือตา่ตางๆนี่ตนเองสอนตนเองจะให้คนอื่นมาสอนให้ไม่ได้ตรงนั้นนะตนเองสอนตัวเอง แต่คนส่วนมากมันสอนตัวเองไม่เป็นเรื่องมันนะ่ะเพราะฉะนั้นมันจึงปรงจึงวางอะไรก็ไม่ได้ถ้าผู้ใดมีอุบายเงียบคายสอนตนได้อย่างนี้นะมันก็มีหนทางที่จะปรงจะวางขันห้านี้ลงได้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆอันนั้นจิตพักพรอนอันจะพักพรอนเรื่อยไปอย่างนั้นไม่ทำงานมันก็ไม่รู้ล่วงไปได้ในสิ่งที่ต้องประสงค์เหมือนอย่างคนทำงานภายนอกถ้าได้พักพรอนหลับนอนแล้วก็อนอนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักตื่น มาทำงานที่ค้างอยู่เชนิงานมันก็สำเร็จไปไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยถ้ามัวแต่สงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็เป็นสุขสบายดีนั่นแหละถ้าผูใ้ใดทำจิตให้สงบนิ่งลงไปได้นะแต่มันยังไม่รู้แจ้งมันได้แต่ความสบายเฉย เพอๆมันก็ไปยึดถือรูปกายรูปนามอันนี้เข้าไปอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะท่านยึงสอนให้พิจารณาหาอุบายมาสอนจิตนี่ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดความถือในนามในรูปอันนีนะ้มันยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเรา แต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเป็นปเพียงแต่ส่วนประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองเพิ่มเข้าไปอีกก็อากาศาธาตุวิญญาณาธาตุเป็นธาตุทั้งหกถ้าแจกออกก็มีหลายธาตุะธาตุหกธาตุสิบแปดนู่น จักปุทาตุรูปปาทาตุจักปุวิญญาณาทาตุตาก็เป็นธาตุรูปร่างกายที่รูปต่างๆที่ตาไปเห็นก็เป็นธาตุธาตุดินน้ำไฟลมตาที่มันสัมผัสกับรูปนั่นก็เป็นธาตุความสัมผัสความถูกต้องอะไรเป็นธาตุอันนึงวิญญาณ ที่รู้แจ้งในรูปนั่นก็เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุรู้นี่รวมแต่แต่ละสัแต่ละหมวดละหมวดมีหมวดสามในอายตนาหกนั้นนะ่ะสามหกก็เป็นสิบแปด ก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นน่ยผู้ภาวนานะต้องพิจารณาธาตุอันนี้ให้พิษดานออกไปนอกจากเราพิจารณาธาตุสี่หรือธาตุหก แล้วก็พิจารณาธาตุสิบแปดอีกอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะตาก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันรูปที่มองเห็นด้วยตาเช่นลูกคนก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่สิน้ำไฟลมหรือว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุ้ารูปที่ไม่มีวิญญาณ เป็นต้นไม้อย่างนี้มันก็ประกรอบขึ้นเพียงแต่ธาตุีดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอันนี้ก็เพ่งพิจารณาให้มันเห็นเป็นแต่เฉพาะวาทาะอันส่วนรูปเนี่ยนวะันนี้ส่วนนามธรรมคือความสัมผัสถูกต้องอันนี้ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลย แต่มันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันวิญญาณที่รู้ว่าตานั้นไปเห็นรูปอย่างโน้นอย่างนี้วิญญาณที่มันอาศัยอยู่ที่ตาเนี่ยก็เป็นธาตุอี ก, นนกนชนิดหนึ่งหูก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเสียงก็เป็นธาตุ ความที่เสียงกับหูกระทบกันท่านเรียกว่าสัมผัสก็เป็นธาตุอย่างนี้นะวิญญาณที่รู้แจ้งในเสียงต่างเสียงดีเสียงชั่วเสียงไม่ดีไม่ชั่วหมู่นี้ก็เป็นธาตุรวมความแล้วเรียยวเป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยตาหูจมูกลีนกายใจ เราเนี่ยแต่ต้องพิจารณาแยกแยกออกไปอย่างที่ว่านี้แหละให้มันเห็นแจ้งประจัดโดยปัญญาว่าตาก็ดีหูก็ดีเหล่านี้นั่นมันเกิดจากสภาวธารมเหล่านี้มันถึงประกอบกันแล้วทำให้ เกิดแสงสว่างขึ้นมองเห็นอะไรต่ออะไรได้หูก็ดีต้องอาศัยสภาวธรธาตุเหล่านี้รวมกันเข้ามันถึงได้ยินเสียงดีเสียงชั่วเป็นตน้นถ้าหากว่าธาตดดุใดธาตุหนึ่งมันเสียมันจมรุดไปอย่างนี้นะหูก็หนวกไม่ได้ยินเสียงอะไร เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องประกอบให้ถูกส่วนกันมันจึงได้ยินเสียงต่างๆน า, น า, นาจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีมันก็ประกอบไปด้วยธาตุเหล่านี้แหละถ้าธาตุเหล่านี้ยังได้หนึ่งบกพ้่องลงมันก็ไม่รับรู้สิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั้นเลย <c oughs> ดังนั้นการเจริญภาวนาก็อย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆเมื่อควบเมื่อควบคุมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็เอาจิตที่ตั้งมัน่นนั่นแหละบัดนี้เพ่งพิจารณาร่างกายนี่แยกแยะออกไปให้เป็นสภาวธาตดังกล่าวมานั่นน่ะ เมื่อมันเห็นลงว่าเป็นสภาวธาตมทั้งมวลแล้วก็ไหนที่ว่าตัวเราของเรานะ่ยนะมันย้อนมาถามตัวเองดูถามจิตอ่ะจิตก็จะต้องตอบว่าไม่มีตัวเราอยู่ในนี้เลยมีแต่สภาตสวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองแต่สภาวธาตมเหล่านี้มันอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัย คือบุญและบาปท่านพอบุญบาปนี้หมดลงรูปนามนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกลับทำลายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายึงตรัสว่านามรูปนี้ไม่เที่ยงนั่นเองเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองมันจึงทนได้ยากเป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไป ต, ตามใจหวังนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าอนาตาัตตาปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ของเราเป็นได้เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วคราวถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็หมายความว่ายังสร้างบุญบา ร, รมีไม่เต็มจําเป็นต้องได้มาอาศัยขันห้านี้เพื่อสร้างบุญบา ร, รมี ทำความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตนเพราะว่าบุคคลเมื่อสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มก็ยังบรรลุถึงซึ่งพรนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตราบนั้นแหละถ้าผูใ้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช้กายนี้วาจานี้ไปทำชั่วพูดชั่ว เพราะมันเป็นตัวอาคุศนกรรมพอทําชั่วลงไปพูดชั่วไปนะอาคุศนกรรมมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช้กายทําไม่ใช่วาจาพูดอันนี้ต้องให้เห็นแจ้งด้วยตนเองอันผู้อื่นบอก ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษนะอย่าไปทำมันถ้าเมื่อผู้นั้นไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตัวเองแล้วมันก็ยังล่วงทำอยู่นั่นแหละมันไม่เชื่อผู้อื่นหรอกจึงว่าธรรมะคำสอนของมุติเจ้านะั้นจึงได้มีการอบรมกันฝึกขนจิตใจให้เข้าถึงความสงบด้วยตนเอง มันถึงเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในนามในรูปนี้ตามเป็นจริงได้ดังบรรยายมาโดยสังเขปนั้นให้เข้าใจถ้าใจไม่สงบอยู่ภายในแล้วมันไม่รู้หรอกรูปรูปร่างกายอันนีนะ้รู้ก็รู้แต่ผิวเผินรู้แต่หนัง และสวดทรงภายนอกมีเท่านั้นแหละแล้วว่าโอ้สวดทรงของผู้นี้ดีนะอหุ่นของผู้นี้ดีว่าสวยงามหุ่นของผู้นี้ขี้ร้ายเราไปดูแต่สวดทรงแล้วกับผิวหนังเท่านั้นแหละเราไม่ดูเข้าไปถึงภายใน พอเหตุดันมันถึงได้หลงหยึดหลงถือด้วยความรักความใคร่ถ้ารูปใดน่าเกลียดน่าชังก็ไปยึดถือเอาไว้ยึดถือเอาความเกลียดชังนั่นแหละไว้ในใจนี่แหละความไม่รู้แจ้งนะเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วมันเป็นเหตุแต่ยึดถือ ก็ไปดูทั้งเสียผิวหนังนอกๆอันผิวหนังนั่นบุญกรรมมาตกแต่งให้มีน้ำมีนวลสีเปล่งปังจัดแดงจริงๆก็ไม่ใช่จะขาวทั้งหมดก็ไม่ใช่มันมีขาวกับเหลืองหรือว่ากับแดงพนกันมองดูแล้วมันจึงว่า เห็นเราเป็นสีขาวแดงเกิดชอบอกชอบใจในผิวในสีนั่นขึ้นมานี่มูลเหตุที่จะให้ใจมันยึดมันถือรูปน้ำอันนี้อยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไปรู้แต่ผิวนอกๆเฉยๆถ้าผูใ้ใดพิจารณาให้เลยผิวหนังนั้นเข้าไป เช่นนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นว่าอะไรสวยงามสักอย่างเดียวอย่างเช่นเขาชำแหละเนือ้อวัวเนื้อควายอย่างนี้นะควายตัว น, นั้นเวลามันมีหนังหุ้มอยู่มันก็พอดูได้ทันพอเขาชำแหละหนังเลิกหนังออกไปแล้วยังแต่โครงกระดูกยังแต่เนื้อแต่เอ็น แต่อวัยวะน้อยใหญ่เท่านั้นไม่น่าดูเลยควายตัวนั้นนะอืมถ้าเขาเอาเนื้อเอาอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกยิ่งไม่น่าดูหลายไอ้รูปร่างกายของคนเราในี่ยมันกเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อลอกหนังออกไปแล้วก็ยังแต่เนื้อแต่เลือดเอ็นยึดกันไว้ แล้วกระดูกแล้วก็อวัยวะภายในตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอะไรหมุนเนี้ยมันก็ไม่ไม่แตกต่างจากวัวจากควายเท่าไรนักเมื่อแล้วอกหนังออกไปแล้วมันก็มีน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองปรากฏส่งกลิ่นไปถ้าทิ้งไว้นา น, านมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปหลีกเลี่ยงความจริงผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะต้องเผชิญกับความจริงเหล่านี้คนสวนมากมันหลีกเลี่ยงมันกลัวจะได้ละความสวยความรักความไข่อันนั้นออกไปจากกิจใจ เลยไม่ยอมพิจารณาสำหรับผู้ที่มีบุญวัฒนาบารมีแล้วนั้นเพื่อนไม่เกี่ยงแล้วเพราะร่างกายนี้มันเป็นอยู่อย่างไรก็ตามกำหนดรู้เห็นตามสภาพความจริงของมันอย่างนั้นถ้าหากว่ามันเผลอ เกิดความรู้สึกผิดปกติไปเอา้าก็นึกถึงร่างกายที่เคยพิจารณามาเนั่นแหละเป็นอารมณ์บะนี่ก็เราพิจารณาเห็นแล้วว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่ออสุภาษิพิตรปรากฏในใจแล้วไอ้จิตที่มันเคลื่อนไหวผิดปกผิดปกติไปแล้วมันก็หยุดติลงนั่นแหละมันจะเคลื่อนไหวไปหายความรักความชัง เช่นนั่นนะมันเมื่อมันเห็นประจักษ์พยา น, นแล้วแล้วมันก็หยุดลงไม่หลงไหลไปตามสมมุติบรญญัติของโลกโลกก็สมมุติเอาแต่ผิวนอกนะี่แหละว่าสวยว่างามประกวดประชันกันก็ อ, อาศัยสวดทงกับผิวหนัง ที่ห้มหกอู้เหมาอยู่ภายนอกนี่แหละไข่ผิวดีก็ได้คะแนนนิยมไปใครสวดทงดีก็ได้คะแนนนิยมสูงขึ้นใครผิวพันไม่ดีสวดทงไม่ค่อยดีไม่ถูกต้องตามตําราของเขาเขาก็ไม่ให้คะแนนกรรมคุณทั้งหลาย ไอ้ที่เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะหลงรูปนามอันนี้ว่าสวยว่างามเมื่อมันพอใจยินดีในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็พอใจในรูปในนามอื่นต่อไปอีกก็ให้เกิดความรักความคล่าก็ให้เกิดความเกลียดชัง ความเบียดเบียนซึ่งกันและกันขึ้นความไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงมันก็ก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนแบกภาระหนักตารพักหาเงินหาทองไม่อยากทำก็ต้องได้ทำเพราะว่ามันจำเป็นเนี่ยทำ <c oughs> ไมทำ ชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีปัจจัยสี่มาบำรุงมันแล้วรูปกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นนักบวชนี่มันก็อาศัยเรียนชีพกับทายกทายิกาผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะว่ามันมีวินัยบังคับไว้ ไม่ให้ภิกษุสามเณรทำการค้าการขายทำนาทำสวนซื้อถูกขายแพงอะไรอย่างชาวบ้านเขาอาศัยบินระบาดเลี้ยงชีพอาศัยทายกทายิกามีศรัทธาทอดกระถิ่นทอดผ้ภาปลาสวายอัฐบริขารแปดเข้าไปอย่างนี้ อาศัยทายกทายิกามีศรัทธาบริจาคทรัพมาสร้างพุตติวิหารแล้วถวายทานแด่สงฆ์พระสงฆ์ก็ได้อยู่ได้อาศัยกุติวิหารที่ทายกทายิกาผู้สลัดทรัพย์ออกมาสร้างขึ้นบางแห่งบางสถานที่ก็เจ้าภาพคนเดียว มางสถานที่ก็รวมกันหลายคนเช่นนี้แหละก็จึงมีที่อยู่ที่อาศัยที่บำเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ให้ขนขวายด้วยตนเองการก่อการสร้างมันคนขวายก็ไม่ได้มันขัดต่อวินยัยเช่นขุดดินฟันไม้อย่างนีพ้พระองค์ก็ห้ามแล้ว ฉะนั้นจะไปทำลงมือทำด้วยตนเองก็ขัดต่อพระวินยัยเป็นอาบัตเป็นโทษเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรปัจจัยสี่เส้นหยุกยาแก้โรคภัยโมนถ้าหากว่าชาวบ้านไม่ถวายแล้วก็เจ็บป่วยลงก็ไม่ได้ฉันยาแล้วก็มีแต่ภาวนากงลงไป มันหายก็หายมันไม่หายมันก็แตกทําลายลงเท่านั้นแหละอันเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยมันไม่มีเงินทองที่ไหนจะไปรักษาพยาบาลตัวเองได้ <c oughs> นี่ความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกเรานะ่ะแบ่งออกเป็นสองจำพวกอย่างนี้จําพวกหนึ่งได้แก่ผู้ครองเรือนผู้ยินดีอยู่ในกาบมคุณ จำพวกที่สองได้แก่นักบวชผู้เห็นโทษในการครองเรื อ, อนแล้วก็น้ำลามารดาบิดาวงาาาศาคณาญาติออกบวดบวชมาแล้วก็มาปฏิบัติทำความเพียรศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ในธรรมในวินัยพอเป็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วลงมือปฏิบัติฝึกตนไป อย่างที่เราทำกันอยู่นี่แหละเรียกว่าฝึกใจที่ไม่สงบให้สงบรงใจที่ยังไม่รู้แจ้งก็ให้รู้แจ้งหัดให้มันคิดหัดให้วิจารดูนามดูรูปอันนี้ก็ดีรูปนามอื่นก็เหมือนกันมันไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแต่รูปลักษณะเท่านั้นแหละ แต่ส่วนวัตถุที่ประกอบเป็นรูปเป็นนามา น, นี่มันก็ได้จะแก่ธาตุสี่หรือธาตุหกดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละประกอบกันเข้าโดยมีบุญแะบาปเป็นเครื่องตกแตง่งนี่เราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้อยู่เสมอไปนะเห็นครั้งเดียวก็ไม่ไม่พอ ต้องเห็นเลื่อยไปอาการที่โกหขพธเจ้าตรัสรู้ถ้าทำคำสอนของพระองค์อย่าไปอ้างการอ้างเวลาเพราะว่ามันมีอยู่ทุกเมื่อไม่มียังไงล่ะธาตุสี่ขันห้ามันก็มีอยู่เนี่ยตนไปที่ไหนธาตุสี่ขันห้าก็ไปด้วยตอนอยู่ที่ไหนธาตุสี่ขันห้าก็อยู่ด้วยอย่างนี้นะแต่คนเรามัน มาเไม่ได้พิจารณาเลยส่วนมากได้รูปได้กายอันนี้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีกันอยู่งี้แล้ว <c oughs> ทีนี้เมื่อมันวิบัติลงมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไัยเวียดเปลียนลงไปเอาแล้วเศร้าโศกเสียใจแล้วกลัวจะตายพัดพักจากหัวจากเมียจากลูก จากสมบัติเข้าของอะไรต่ออะไรนั่นเขาเรียกว่าตายอยู่ในความห่วงความหวงดังนั้นไม่ว่าครเหตุไม่ว่านักบวชการพิจารณาร่างกายเนี่ยมันมีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเองเป็นเหตุให้ตนเองได้ละความชั่วมาทำความดีอย่างต่ำนะ ก็เมื่อมองเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างนี้แล้วจะใช้ไปทําบาปทําไมอะ่ะเกาะเพราะแต่ชาติก่อนหนหลังมาไม่รู้แจ้งกายนี้ตามไม่จริงกรใชัมันทําบุญบ้างทําบาปบ้างนั่นแหละแล้วบาปมันก็หน่วงเหนียวไปสู่นรกอบั ย, ยภูมิในทนทุกข์ทรมาน อยู่ในย ม, มโลกนู่นนานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้บุญ ม, มันก็นำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้และสวรรค์บ้างลงมาสู่โลกนี้บ้างถ้าหากว่าผู้ละบาปได้มีแต่บุญกุศลพาท่องเที่ยวไปในสงสารก็ยังชั่วน้อยก็มีความสุขแหละได้เกิดในภพใดชาติใดก็ดี ถึงจะมีทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์ไม่มากทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายอันนี้เราก็พิจารณาให้รู้ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทุกข์เกิดจากกรรมเวรหนหลังตามสนองเอาอย่างนี้นะมันทุกข์หลายจริงๆบางคนเราเห็นกันอยู่เจ็บป่วยลงแล้วจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ทุกข์แต่ตัวเอง嘛นี่ คนอื่นก็พลอยทุกข์ไปด้วยอย่างโรคอมัมพาตโรคเล็บชาหมนี้ทาให้มือเท้าง่อยไปเลยตักข้าวใส่ปากตัวเองก็ไม่ได้ต้องเป็นภาระของผู้อื่นอายุมากแล้วก็ยังให้ผู้อื่นป้อนข้าวอยู่อย่างนี้เราเห็นกันอยู่ดาดื่นในโลกทุกปันนี้นะ บางคนก็ตามบอดหูหนวกต้องเป็นภาระของคนอื่นที่ตาดีต้องสงเคราะห์สงหาเขาจึงตั้งเป็นกรมประชาสงเคราะห์เขไว้ันเนี่ยกระสงเคราะคนพิคลนพิการคนมีกรรมมีเวรนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดมันพึ่งตัวเองไม่ได้ัน้นรัฐบาล โดยมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขก็มีความสงสารเอ็นดูในฐานที่มาเกิดร่วมชาติร่วมประเทศกันอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นชาติเดียวกันดังนั้นเมื่อใครเกิดมาแล้วมันถึงความวิบาติรงไปก็ต้องช่วยเหลือกันตั้งงบประมาณไว้เป็นพิเศษงบหนึ่งีนถ้าพูด โดยอุบายแยบคายแล้วก็มาสอนใจของตนว่าเราไม่ควรที่จะไปสร้างกรรมเวรอันชั่วร้ายใส่ตัวเองให้กรรมเวรตามสนองมาช่วยตัวเองก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เป็นภาระผู้อื่นผู้อื่นก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวเลยมันเป็นทุกข์ทั้งตนเองแนละทั้งผู้อื่น นี่ก็มีอุบายแยบคายสอนใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็เว้นได้เว้นบาป ก, กรรมคมชั่วต่างๆได้ถ้าไม่เห็นแจ้งในร่างกายนี่มันเว้นไม่ได้จริงๆนะคนนะเพราะว่าเมื่อมายึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนแล้วมันหวงะ มันอยากได้ปัจจัยสี่นั้นมาบำรุงร่างกายอันนี้บางคนก็อยากได้อย่างรุนแรงจนเกิดเป็นความโลภความเพ่งเด้งไปในสมบัติผู้ อ, อื่นนู่นตนมีเท่านี่แล้วก็ไม่พอเห็นของคนอื่นหลายกลัวตนก็อยากได้ก็วางแผนช่อเอาโกงเอาชี้พร้นเอาอะไรหมดเลย่ย เราเป็นเอเรได้สร้างกรรมสร้างเวรขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงนี่ยมันห่วงมันห่วงลเลยเลยกายแสวงหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงรูป ก, กายนี้โดยทางที่เป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรโดยที่สัตว์มันอาศัยอยู่ในน้ําบ้างอยู่บนบกบ้าง อ้าวก็ไปรบพวนมันไปจับเอามันมาฆ่าอืทําเป็นอาหารอะไรพวกนี้นะมันก็ร้วนแล้วตั้งแต่ห่วงร่างกายนี่กลัวว่าร่างกายนี้จะไม่ได้อยู่ดีกินดีจะไปกินสิ่งที่มันไม่มีเลือดไม่มีเนื้อก็กลืนไม่ค่อยลง กลัวว่ารูปกายนี่มันจะถูกพร้อมมันจะชุดทำรุดชุดโทมไปมากถึงได้ยอมทำบาปกรรมเพราะหวงเห็นร่างกายนี้เองท่านผู้ใดเป็นผู้พิจารณาเห็นร่างกายนี่ทำจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่น ผู้นั้นก็จะไม่ใช้กายนี้ทําบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สมบัติต่างๆมาบำรุงร่างกายอันนี้ออ<ม>ผู้นั้นจะไม่ทําเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อใช้กายใช้วาสนาทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ทรัพย์สินเงินทองมา บำรุงร่างกายอันนี้แต่และบาปกรรมที่ทํานั้นร่างกายอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้สเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นเลยใจนู้นเป็นผู้สเสวยอะจิงโยกรรมมันมาบีบคั้นร่างกายนี่แหละให้จมรุดทุกข์โทมให้เจ็บให้ป่วยอะไรต่ออะไรลงไปแต่ว่าใจนู้นทีเป็นผู้สเสวยทุกข์ แต่ร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจครองอยู่ในแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะวิบัติแปรปวนไปไหนมันก็ไม่รู้หรอกมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเจ็บมันปวดไม่รู้ผู้รู้ละมันจิตดวงนี้ต่างหากอผู้เสวยวิบากกรรมที่ทนทำมาแต่ก่อนก็จิตดวงนี้นั่นแหละแต่พิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้นะ คนเรานะ่ะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เว้นบาปได้เลยหาเอาในทางที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นหาได้เท่าไรได้อย่างไรมาก็บริโภคอย่างนั้นไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติของอาหาร มันจะมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยว่าแต่พอเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี่เป็นอยู่ได้วันวันไปก็เอาแล้วแต่ว่าธรรมดาผู้มีปัญญาเนะี่ยมันก็หาเอาอาหารอันบริสุทธิ์อันปราศจากบาปโทษต่างๆนั้นแหละหาแลกหาเปลี่ยนเอาคนมีปัญญาเนะมันก็หาเงินหาทองได้ แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามาบริโภคอย่างเนี้ยคนไม่มีปัญญาก็อย่างว่าทั้งบุญน้อยด้วยเงินทองก็ไม่มีแล้วก็ไม่ยอมสละไม่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศินเพื่อทำห่วงร่างกายในอยู่ก็จําจเป็นต้องไปทําบาปต้องไปฆ่าสัตว์ปัะชิตมาเลี้ยงมนัน คนมีปัญญาแล้วถึงแม้จะยากจนคนแค่ยางไงเขาก็ไม่ทำบาปเขาหาทางหลีเลี่ยงอยู่นั่นเน่ยเอาได้กินยังไงก็กินนะได้อยู่ไงก็อยู่ขอให้มีศีลบริสุทธิ์อย่าให้มีบาปกรรมติดตัวไปก็แล้วกันนะเพราะว่าชีวิตคือเจาภาพร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแม้ใครมีเงินทองมาก อาหารอาหารอันประนีบรรจงมาหลอเลี้ยงมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้บางคนกินอาหารดีๆเข้าไปหลายเกิดไขมันมากเข้าก็เลยเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายคนอ้วนมากนันเต็ไมไปด้วยโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ย เอาไปเอามาก็อายุไม่ยืนบางคนนะ่ะผอมหลงแหล่งแต่ว่าอายุยืนไปถึงแปดสิบเก้าสิบปีน้องก็มีเพราะว่าคนเช่นนั้นมันไม่มีกรรมไม่มีเวรตามสนองมันเป็นเช่นนั้นรูปร่างกายอันนี้นะจิตใจเนี่ยมันหลงอยู่ในรูปกลากายอันนี้ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าคนส่วนมากมันไม่ค่อยสนใจมักจะละเลยไปเลยภาวนาก็ได้แค่พุโทโธแล้วก็ทำใจสงบลงไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เลี้ยวไปไม่ได้รู้ลึกรู้ซึ่งในร่างกายสังขารอะไรเลยแล้วอย่างนี้นะจะให้มัน สละชีวิตบูชาศิล์ได้ยังไงอ่ะก็มันห่วงร่างกายอันนี้อยู่นี้ถ้ามันมีอุบายเงียบคายมาพิจารณาทั้งภายนอกภายในประกอบกันเข้าอะไรอย่างนี้นันก็ลงความเห็นได้ว่ารูปร่างกายนี่ไม่ควรถือมั่นว่าของเราของเขาไม่ควรใช่ไปทำบาป ท, ทำกรรมะเพราะว่าผู้สวยทุกกระดวงกิตนี่ต่างหาก ราะนั้นเมื่อจิตนี้มันฉลาดแล้วมันก็ไม่เอาแล้วไม่ใช่กายทาไม่ใช่วาจาพูดเพราะว่าตนเองจะเป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมชั่วอันนั้นนี้จะไปใช้กายทาใช้วาจาพูดทำไมแล้วก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ลหละคนมีปัญญานะพระอริยบุคคลจะขั้งพระเจ้าพระโสดาบัน ฟังเทศพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติไปบรรลุโสดาบันแล้วที่ไม่ได้อกบวดก็มากมายอยู่ครองเรือนมีภัวมีเมีย ม, มีลูกหาเงินหนาทองเหมือนกับคนทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนฮัลลีเลี้ยงจากบาปได้สิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเพื่อนไม่ทําเพื่อนก็อยู่ได้จนตลอดชีวิตก็เลี้ยงครอบครัวมาได้ พระโสดาบันจากขั้งพุทธเจ้านั้นมีคนทุกขทั้นทุกประเภทนับแต่พระราชาลงมาหาเศรษฐีมาหาพ่อค้าพานิสมหาชาวนาชาวสวนและมหาก ร, รมกกคนรับจ้างทำงานคนขอทานเขากินก็ยังบรรลุได้นะฟังเทศของพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบันได้ อย่างชายหนุม่มลูกคนโลกเลื้อนคนหนึ่งไปขอเข้าวาดในวัดกินพอดีในขณะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมล้ น, นั่งฟังธรรมกับเพื่อนฟังไปฟังมาจบลงได้บรรลุโสดาบันคลานเข้าไปกราบพระศาสดาใกล้ๆไปปฏิ ญ, ญาณจนถึงรุพุะธรรมปร ะ, ะสงค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอืม พระโสดาบันแม้เป็นคนขอทานทำไมยังว่าไปบรรลุสโสดาบันอ้าวคนขอทานเขาไม่ได้ทำบาปอะ่ะเขา ไ, ไปรักใครกินเขาไม่ได้ไปฆ่าตัดตัดชีวิตมากินอขอทานใครให้ก็อเอาไม่ให้ก็แล้วไปนั่นเขามีศีลแล่ะก า, ายวาจาใจเขาไม่มีบาปเออครับ มันจึงเป็นพาชนะทองรองรับเอามักเอาผลได้คนจะร่ำรวย ม, มั่งมีมากมาอย่างไงไปทำแต่บาปอยู่ยนั่นแล้วไปฟังเทศไม่มีทางหนมันจะบรรลุมักผลทำวิเศษได้เพราะว่าบาปมันเต็มอยู่ในหัวใจนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนให้พากันเข้าใจคำสอนของพพุทธเจ้า ดังที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับเนี่ยสรุกใจความแล้วว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกขัดเมื่อตอนยังไม่ชำนาญในการให้การบริจาคทานก็ฝึกหัดจิตใจให้มันฉลาดในการให้การบริจาคทานอ ฝึกตนเมื่อตนยังรักษาศินไม่ได้ก็พยายามสอนตนให้มันพอใจในการรักษาศินเพราะการรักษาสิ น, นการเป็นการเว้นจากบาปจากโทษต่างๆกรรมเว้นจะไม่ตามสนองตนให้เป็นทุกข์ไปตนมีอุบายแยบคลายสอนใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อมันเชื่อว่าบาปมีบุญมีจริงเชื่อว่ากิเลส อยู่ในหัวใจนนออยังตนในตนยังละไม่หมดจําเป็นต้องเกิดอีกอาถ้าตนทําบาปไว้บาปมันก็ตามนําไปสู่ทุกข์ถ้าตนละบาปสิได้ทําแต่บุญกุศลบุญมันก็นําไปสู่ความสุขตนก็ได้สร้างบุญบา ร, รมีให้สูงให้มากขึ้นไปเร<ม>ื่อยๆมีวายแยบคลายสอนใจอย่างนี้นก็รักษาสิมได้อืไม่ห่วงความสุขชั่วคราวนี้ น, นั่นเ่ย เอาพยายามสอนตนเตือนตนไม่ประมาทในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเพราะการภาวนานี่เป็นการฝึ ก, กจิตใจโดยตรงเลยบันนี้นะการรักษาศีลให้ทานนั้นฝึกกายฝึกวาจาให้มันเว้นจากบาปจากโทษทีนี้การภาวนานี่เป็นการฝึ ก, กจิตให้ละความยึดถือนามรูปอันนี้พูดโดยรวบรัดนะ เพราะว่าจิตใจมาหลงอยู่ในรูป ก, กับน้ำดังชี้แจงแสดงมาโดยลำดับนั่นแหละวันนี้ผู้ใดตื่นตัวแล้วก็มาภาวนาทำใจสงบแล้วก็มาเพ่งดูร่างกายอันนี้เมื่อเพ่งดูแล้วก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความไม่สะอาดสดสวยเป็นแต่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสโสกปกเต็มไปด้วยความทุกข์ทนยากลบาบาก ต้องประครบประงมกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันเห็นแจ้งอย่นี้มันก็เกิดนิพพิทาควาเมเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอเมื่อมันค ล, คลายความยึดถือแล้วมันก็วางอุเบกขาลงต่อนามต่อรูปอันนี้ไม่หลงยินดีหลงยินร้ายกับมัน แต่อาศัยมันหากไม่ยินดียินร้ายกับมันอาศัยมันสร้างกุศล